ทธรรมเทตนาของท่านโลโาายนากังก์ีนารโย ต, ตอนจริตของการทำสมถกรรมฐานตอนที่หนึ่ง บ้างในสมมติบ้างแค่นั้นมันจะงห่างไกลความจริงนะมันจะไม่ใช่นะตายซะก่อนแล้ะหมดโอกาสที่จะเข้าถึงความจริงเป็นหนึ่งเดียวกับความจริงนั้นคือภาพที่เป็นอมตะภาพทุออทำให้เกิดความจริงเป็นจริเข้าใจ่ากเลยนะกลับไป หาพวกแม่โบาณยเราท่านเกิดส่้งของเราก็จะตอบท่นหนได้แต่อตอบเพียงความจำท่านก็ไม่พอใจใเราต้องจํงต้องเข้าจใจใจของเราแล้วเราคึงพบในช่วงที่เราจะพบท่านว่าตัวตนที่แท้จริงของเราคือใคร ใ, ใครคือเราอยู่ในร่างเราใครคือเราเราคือใครคนให้หนังเจอแค่านาพบที่ แยจะบอกท่านเลยได้ที่ผมนีมหางแ้านีเล่นนี้เองแต่กไช่อเหมือนจับก่อนหน้านี้ที่ผมเรายนี่ตัดว่าการดุฝาดเป็นังแต่ที่หนมที่เขเห็นดูเอความที่ความรู้สึกแบบว่า แล้วที่พี่ฟ te ังแบบที่พูดแล้วเข้าใจไหมอวันเนี้ยเออเข้าใจแล้วก็การที่จะมาพิจาาอที่หลงตาสอนมาค่ะเราต้องมีสมาธิเลาต้องมีจตใหให้มีใมีให้ีนิ่งหลวตาถึงจะถึจะมาพิจารณาเสียขั้นตอนขั้นตอนองนี้เราต้องรพิาไปเลยเพความคิดมันก็กดอยูแล้วไม่จำลอให้ีสมาธิใจนิ่งก่อน ถ้าเราไปทดลองให้มีสมาธิแจ่มเงียก่อนไดพิจารณาหลับตาก่อนเพราะว่ามีคนที่เรารู้จักหลายคนนเราบอกเมื่อไหร่จะพิจารณาบอกว่าใจยังไม่เงียบผ่านเวลาไปห้าปีเราถามอีกว่าไหร่จะพิจารณาบอกว่าใจยังไม่เงียยังไม่สงบผ่านไปสิบปีเป็นยังไงบ้างไม่ไม่ไม่ไม่ได้ม่พิจารณาเพราว่าใจยังเงียบยังไม่สงบจนบัดนี้ผ่านมายี่สิบปีเราถามว่าได้พิจารณาบ้างหรือยัง อย่างว่าใจยังไม่นี่ใจ ย, ยังไม่สง <รอ S 1> บเนี่ยมันเป็นขออ้างไปเรื่อยๆไงขอแยกทีว่าว่าแต่ว่าคือถ้าสมมติว่าเราเราหลงไปก็คือเราจะจากหลักกับคนอ่ที่พูดเมื่อไหร่ที่ตกใจแต่ตาหยุดแล้วที่เราจับับพุดโธ้แล้ก็คือปกใจแต่ตาหใจเลิกไปที่จ ะ, ะ, จ ะ, จะงัน้องเียพราะฉะนั้นโท้ได้อย่างนี้ก็ได้ถ้าเรามีความากุ้งก้าวห้าแบบพูดโทเพโทูโธ เราเนี่ยไม่อยู่ต่อหน้าคนอื่นไม่อยู่ไม่ในรุคนไม่อืู่เราก็ทำงานพุ่งสั้นมากๆแล้วก็ไปที่โลงๆอย่างเงี้ยสัวเราที่นี่นะที่บริเวณเจดียมันเป็นที่โล่งใช่ไหมเราก็พุ่งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆกๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ แต่ถ้าเราสมสัมพันธ์มาเราก็มาตกลงตกลงตกลงตกลงตกังตกลงตกลงตกลงตกองตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกล่ตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกองตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกางตกางย่าง้กลงตเลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงตกลงต้องตเลงตกลงนกลงตกลงตกลรตกลงตกลงอะไรเพราะว่า พระพุทธองค์ตัดไว้ในสี่สิบกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานเนี่ยพระพุทธองค์ตัดไว้คือการที่เรารืลึกถึงพุทโพุทธพุทโธเรื่อยลึกถึงพระพุทธเจ้าเรือยลึกถึงพระธามพระสงฆ์เนี่ยพุทโธบรลลวงองค์ที่พุทโธพุทโธเนี่ยก็เป็นหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานคือให้เราลึกถึงพระพุทธเจ้าหรือให้เราลึกถึงพระธรรมหรือให้ระลึกถึงพระสงฆ์นี่ก็เป็นหนึ่งในสีิ หรือการที่นาอวัยวะสามสิบสองแยกออกมาเห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนเป็นบุคคลเป็นเลาวเป็นเขาก็แยกผมขนเล็บขนหนังตัวเองกระดูกต่อไตไตปุ๋เป็น้องไตใหญ่มัสตาร์ดหัวใจแยกออกเป็นธาตุอีสิออกทิ้งออกไปแล้วมาแยกเป็นธาตุน้ำน้ำเลือดน้ําเหลือน้ำลายน้ำปสสาวะน้ำไขมันก้นแยกทิ้งออกไปพาดลมกับธาตุไฟกับธาตุจอมันก็หายไปเมดแล้วที่สุดก็เห็นว่าเป็นธาตุแยกไปหมดไม่เหลือเป็นตัวเป็นต when, น ทำอย่างนี้ทั้งวันทั้งคือก็คือเอาเอาอาการเหลาที่สองของเป็นเป็นกรรมฐานหรือจะพิจารณาความความกปกปปกให้สิ่งความหลงยึถือยึดๆๆมั่ น, นในกายจนก็ต้องพิจารณากปกปปกุกปปกอยู่นั่นแหละแต่สกปกปปกเพื่อนใจมันประกอบไปด้วยเอาสุกข์กรรมฐานบรรารนารสติคือความตายหน้าเปิดภูผงสลายหาดูดเดไม่เจอแต่เมื่อพิจ า, า ร, รณาบารนารสติเปื่อนใจมันไปหลงที่ไปหลงด้วยภาพด้วย คือธาตุดินน้ำลงไฟอากาศสัมผาสหาตัวตนไม่เจอแท้จริเรามาจากธาตร่างกายมีกี่ธาตุค่อธาตุดีนธาตุน้ําตนลมชไรสนกิมีธาตุเดียวคือธาตรู้คิเถ็นของว่างทีดเป็นความไม่หนีตัวตนมีแต่สภาพรู้คิดถึงนั่นแหละของเราเนี่ยร่าคกาจิตใจเรามีห้าอย่างแต่เป็นร่างกายก็สีอย่างคือธาตุดินธาตุน้ำธาตุดินก็คือเริ่มมาจากสเปอร์เป็นาตดีที่ว่ายมาที่จึ๊จึ๊จเข้ามาแล้วผสมกับน้าในไข่ น้าวุ้นก็ในไข่แล้วก็ไมีมสภาพเป็นไงหมอเราไม่ได้ถามหมอหมอได้ว่าออไข่ทำไมก็ว่ า, า, า, อ, า, าอาไข่ไปทาดน้ําถ้าจะเป็นน้ำไข่มันมีสภาพเป็นวุ้นมังเออมันก็เลยไปทาดน้ําได้เจะเพิมกำลังเป็นาติทีมันก็ว่าว่าว่าว่าไปทาตินี่มันาเจาะไอตัวไหนที่มีกําลังมากกว่ามันก็เจาะไข่ได้ตัวเดียวแล้วมันก็ค่อยๆเป็นหดเลือดก็เลือดขึ้นมาแบบเป๊ะๆเดียวเลยเนี่แล้วก็เลิกแม่ก็เริ่มกินแล้วกินด้ยพวก สารอาหารมาให้เราเนี so, ่ยไหสารพืชสาสัตว์เน <ance> ี่ยไหนินสสัตว์ตายตายให้เรามน้ำเลือดน้ำเหลืองไหลเข้าไปะสมไม่ได้แบบเป็นตัวตัวให้เรากินหรอกมันก็เป็นน้ําเลือดน้าเลืองไปให้เราดูดเข้าไปใส่รดเนี่ยเราก็กินมาเนี่นั่นแหลมองทองมาในมันจะตัวเราเราก็พิจารณาเอาอย่างเงี้ยเราก็จะเห็นแหละอันนี้ก็เป็นหนึ่งในกรรมฐานในสี่สิบกรรมฐานเวันอะไรก็ตามถ้าเราจับแล้วมันอยู่มันอยู่กับสผีนั่นนี่คือกรรมฐานได้หมดเลยไม่ต้องไปเอาอย่างนี้เรามา ไปผู้โต้ผู้โต้ก่อแล้วมาน้อมเพื่อมาน้อมมันไม่ใช่เพราะว่าถึงนั้นกรรมฐานเขาเรียกว่าหนึ่งในสี่สิบกรรมฐานสี่สิบกรรมฐานคือเราชัดเราน้อมแล้วเราเปนชัดเจนมากเลยเราตรงนั้นมาเลยเพราะว่าอย่างนั้นเนี่คือกรรมฐานที่ถูกกับจริตนิสัยเราแหละเราก็ไม่ต้องไปไปทำอย่างงู้นมาก่อนไปผู้โต้้โตไปก่อนแล้วก็ต้องมาสงบแล้วแล้วไปมาน้อมอันนี้นมันทํากรรมฐานหลายครั้งแต่ถ้าเราไม่ดูไปใสยแบบนั้นเราก็ทำเหมือนกันได้ไม่นม่ไม่ได้ดีอะไรผิด แต่ถ้าเราน้อมแล้วมันสามารถเข้าถึงใจเลยเราเอาสิ่งนั้นเนี่ะเป็นกรรมฐานบางคนน้อมมาศาสบินศาตรน้ำศาตรลมศาสตรไฟใจค่อยอยกับสิ่งนั้นได้เลยโดยไม่ต้องไม่ต้องเอาอย่างกรรมฐานอย่างอื่นก็กเอาวินนั่นเลยเพราะน้อมถึงบินจิตมันก็สงบมันไม่ฟุ้งซาน้อมถึงลมถึงไฟจิข้ามันแบบสงบไปฟุ้งซานเลยคือมันถูกเจริตของเขานั้นน้อมอะไรให้ใจมันสงบแล้เที่นาเข้าถึงความปล่อยวางความไม่ ว่าไม่ไม่ไม่ใช่เป็นตัวเป็นตนพอใจมันสงบแล้วก็พิจารณาให้เห็นว่าเราคือใครใครคือเราหาหเจอว่าเราคือตัวตนในที่รางกายนี้หรือเปล่าหรือเรามีตัวตนไหข้อหาความติดกันนั้นแต่ไม่ใช่ว่ารอยใจ ส, บสงบแล้วพิจารณาคือบางทีมันพิจารณาทำให้ใจรู้ขึน มันตอนตแรก น, นาเราพิจารณาเร็วๆแต่เราก็ให้มันเป็นโสโลว์โมชั่นช้าๆดิ้งกันเป็นโสโลว์โมชั่นช้าๆเรืเอียดเข้าเรื่อยๆเข้าเพื่อ ใ, ใจเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งที่เราพิจารณาเราจะพิจารณารวดเร็าๆเร็ว ๆ, ๆพิจารณาเหมือนก็เอ่าเราดูหนัง น, น่ะหนังมันเร็วมันจะไม่ทันให้ใจมันตามไม่ทันตามไม่ทันกิที่พิจารณาให้ใจความรู้สึกของใจมันตามไม่ทั น, นรมมทเราก็ต้องพิจารณาช้าๆ จะช้าๆแล้วมันเคลื่อนที่ไปจช้าๆนนาวๆไปจะช้าๆที่หนาความตินไปชชาช้าๆบางทีรอบนึงเ่ยมันที่หน้าแต่หัวขั้วถึงสว่างเลยรอบเดียวมันช้าันาดไหนรอบเดียวเลยตั้งแต่หัวขั้วถึงสว่างในรอบเดียวแต่พางทีมันมันมันมีความชันนานมาขึ้นก็ทั้งคือเลยได้สองสามรอบ ถ้าคิดเอาเองมันจะไม่เกิดมันจะแตกต่างกันระหว่าคิดเอาเองได้แต่คิดคิดคิดเอาเนี่ยคิดเอาเองคือมันจะไม่เกิดความรู้สึกในใจที่น้อมน้อมไปด้วยมันจะไม่มีความรู้สึกที่มันเป็นจริงอย่างที่เราพิจารณามันจะไม่ไม่เกิดความรู้สึกนั้นมันก็เป็นแห้งแล้งไปแต่ถ้าเราพิจารณาแล้วเราเปลี่ยนแง่มุมใหม่พิจารณาแล้วมันแห้งแล้งกันพุ่งซานอยู่แสดงว่าเราจับทิ้งนั้นมาพิจารณามันไม่ถูกกับเราสถียรที่ใสไม่ถูกเราก็ไม่จับว่าจื่นไหมอีกเราก็สังเกตดูว่าอะไรแล้วที่เราเนี่ย ไปจับมันมาแล้วในมันถูกกระเิบดีสัยเรามันจะไม่ฟุ้งซ้าถ้าเราเลือกที่จะถูกกระเจริบดีสัยเรามันข้างที่เดียวแต่ถ้าเราเลือกไม่ถูกกระเิบดีสัยเราข้างข้อกข้างช้ากี่ข้อกี่ชาติมันก็ไม่สงบเรายกตัวอย่างอย่างเช่นมีท่านท่านหนึ่งเนี่ยท่านป่วยเป็นมะเร็งไปรักษาหลายโรงพยาบาลไม่จะใกล้ตายแล้วคนก็เลยหักประคองปีเข้ามาเดชหาเราสองข้างเลยมาขอความช่วยเหลือจากเรา เราก็เอาให้ภาวนาพุทโธเข้าพุทโธเข้าพุทโธพุทโธพุทโธเพื่อจินเป็นสมาธิเพื่ได้ช่วยตัวนเองได้เขาเขาเขาเขาภาวนาต่อหน้าเราเนี่ยแต่ภาวนาไปสักพักใหญ่เราก็สงสัยว่าเอ๊ะทำไมข้างในเนี่ยมันข้างในภายในใจมันตีกันยุ่งเหยิงมากเลยเราก็เราก็พิจารณาอยู่สักพักใหญ่ว่าทําไมภาวนาแล้วข้าไใมมันไม่คุ้มซ่านแต่มันยุ่งเหยิง มันตีกันยุ่งเหยิงเหมือนกันลบกันอยมันไม่ได้ฟุ้งซ่านเหมือนคนอื่นครับพินาไม่เคยอยู่ในใจฟุ้งซ่านแต่นี่มันแปลกคือพ่นาแล้วมันเหมือนลบกับอะไรอยู่ในใจแล้วก็เราก็เลยพินาอะไรอยู่อยู่แล้วบอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเถิดท่านบริกรรมเขาว่าเยสูเยสูเหรอเขาเลยตกใจกราบขอก็มาเราอยันปกคับครับผมเป็น อาจารย์สอนคิดศาสนาเป็นลักษณะเป็นบาทหลวง อ, ะอ่ะท่านไม่บอกผมนะท่านบอกผมผมก็ไม่ต้องให้พิจารณาแบบผมไม่ต้องให้ทําบริการมมาพุทโทโ ธ, ธโหลับความที่เราหลวงไปแต่ท่านก็ปิดบอกว่าถ้าบอกอาจารย์เนี่ยเดี๋ยวอาจารย์ยยรจะไม่ช่วยผมโอ้ยเราจะเปนจะไม่ช่วยทุกชาติศาสนามันก็มีความทุกข์เหมือนกันมีโรคภัยไข้เจ็บเหมือนกันกลัวตายเหมือนกันเราช่วยทุกชาติศาสนาอะไร บอกเราเราก็ช่วยเราไม่ใจร้ายหรอกเราเมตตาทุกคนไม่มีไม่มีเรื่องอ้าวแต่บางทีไม่ต้องพุดกันไม่ต้องภาวนาพุโทโธนะให้ภาวนาว่าพระเยซูหรือพระเจ้าก็ได้ภาวนาไปในพระเจ้าของท่านน่ะแหละเอาภาวนาเลยเพราะว่าภาวนาพระเจ้าหรือเยซูของพระเยซูของท่านเนี่ยท่านก็คงจะสงบได้ง่ายเออเขาก็าดีใจอย่างเลยเ อ, อ้ยขอบคุณเราใหญ่เขาขอบคุณเราก็ก็ภาวนา พระเจ้าหรือพระเยซูเขาสอี่และพระเยซูเยซูพระเยซูเยซูพระเยซูนแหละพระเจ้าพระเจ้าน่แหละเราก็นึกว่า อ, อบายใจสจะตีฮะมันก็ผมจะสบาย้ภาวนาไปต้องคลาดใมันตีกันอีกถ้า ม, มันเป็นตีกันในจิตอย่างนี้เราก็รอพิจารณาดูพักว่ามันติกันจริงๆก็พอตุตีกันจริง ๆ, ง ๆ, งๆยังไง้วทาไมเป็นงี่กอ เดี๋ยๆท่านนั้นหยุดกอยุดก่อนหุก่นอก น, อนท่านภาวานาพรเยซูพระเยซูพระเยซูแล้วทําไมมันมันปีกั น, กนอีกหรอไงไอจิตของท่านอ่ะอะไรผมผมขอเข้ามาต่อต่อตอาจารย์คือผมมีความรู้สึกว่าตอนที่อาจารย์ให้ผมภาวานาว่าพุทโธพุทโธเนี่ยผมมีความรู้สึกว่าผมทรายโต่อพระศาสนาผม ผมเลยรู้สึกว่าภาวนาไปแล้วมันตู้กันว่าผมเป็นคนทรยศแต่ครั้นเนี่ยอาจารย์ให้ผมเอาให้ผมภาวนาว่าพระเจ้าหรือพระเยซูเนี่ยตอนแรกผมก็สบายใจแต่ครั้นภาวนาไปเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมมาขอความช่วยเหลือบากหน้ามาขอคอเมช่วยเหลือจากอาจารย์แท้ๆผมยังทรยศต่ออาจารย์อีกอ้าวมันจะไปคิดมากแบบนี้ไหม ที่ชองแรกเขบอกว่าธุรกิศาสนาเราก็อบอกว่าเราให้ภาว่ะภาวนาศาสนาของตัวเองกับของธุรกิจกับเราทำไมคุณเป็นคนคิดมากแกพีชื่อเนยเราต้อบอกว่าเอาหยุดเล่นยุดหุดหยุดหดหเดี๋ยวพอขอพ่ก่อนเราไม่ใช่เราไม่เมตตาหรอกแต่เดี๋ยวคุยกันได้รู้เรื่องก่อนเนี่ยอย่างนี้มันกังวลมากเลยเนี่ยมันกังวลมันไม่สงบเรากังวลอย่างเนี้ยอาจารย์มันมีอะไรที่ถึงกลางไหมอาจารย์คือมันไม่มีทั้งศาสนาพุทธไม่มีทั้งศาสนาพิเศษ มันมีอะไรที่เป็นกลางไม่แน่ใจเอาเป็นกลางกลางอ่ะมันไม่เป็นศาสนามีไม่แน่ใจเราก็บอกว่าลมหายใจเข้าออกนะชัดทุกชาตศาสนาก็มีลมหายใจก็ออกไปีงนั้นแหละคุณก็รู้ลมหายใจก็ออกคุณไปอ่ะหายใจเข้ารู้หายใจออกรู้หายรู้ตามให้มันละเอียดก็เอียดเข้ามันหายใจออกมีสภาพอย่างไงก็รู้มันละเอียดชัดเจนอย่าพลาดไปหายใจเข้าให้มันมันมีรายละเอียดชัดเจนอย่างไรคุณก็รู้มันชัดเจนจะพลา อย่าปล่อยให้ใจมันภาคหลึกไปจากลมหาใจพอออกโอ้โหเขาดีใจมากเลยอ่ะเขาบอกโอโ้เป็นกลางดีอย่างนี้เป็นกลางดีเพราะว่าทุกชาติศาสนาก็มีลมหายใจเขาออกหมดเออเป็นกลางดีดีใจเขาก็ไปนั่งรู้ลมหายใจเขาออกตอนี้คนไม่เคยปฏิบัติลมหายใจปกติมันก็หายใจสบายดีพอไปเริ่มรู้มันเข้านเนี่ยมันก็หายใจสั้นๆยาวๆยาวๆสั้นๆเขาไปแทรกแซงลมหายใจมาน เขาไปบังคับลมหายใจมันแน่นจุกอุดอัดไปหมดเลยหายใจไม่ออกก็มันกัมึนกันการคึกคึกอยู่เลยเนี่ยแน่นไปหมดเลยอ่ะจุกไปหมดเลยอัดไปหมดเลยเพราะว่าคนไม่เคยมันก็ไปยุ่งวุ่นวายแต่ลมหายใจแล้วบอกว่าให้จใจแต่ว่ารู้ลมหายใจเขาก็ไปไปยุ่งหงุดหงิดกับลมหายใจคือไปรู้อยู่ไม่ได้มันไปยุ่งหมดเลยไปหายใจยาวๆสั้นๆยาวสั้นยาวๆอะไรเงี้ไปทําให้ลมให้ลมหายใจมาติดติดขัดๆเดินไม่สะดวกมันก็เลยคึกปัดคึกัดปุ๊บั๊บปอยู่เล้เนี่ย แต่เขาอดทนมากเลยกลับไปบ้านแล้วก็ทําอยู่สักพักหนึ่งก็รู้ลมหายใจเขาออกแนะกลับมาหาเรามีสภาพแย่มากเลยเอมันเป็นเนี้ยอาจารย์ผมลหายใจไม่ออกนะผมเอามาคืนอเอาลมหายใจมาคืนนารู้ลมหายใจมาคืนผมขอจะใหม่อาจารย์เฮ้ยพุทโธก็ไม่ได้พระเจ้าก็ไม่ได้ลมหายใจก็ไม่ได้จะเอาอะไรวะเ น, นี้เราก็อดหนทางแหละอาจารย์มันมีอะไรยังไง ไม่มีอะไรอีกไม่ที่จะให้ผมใจผมมันอยู่กับมันได้เนีเราว่าเดี๋ยวก่อนเราจะเลิกคุยกันเรื่องปฏิบัติธรรมเลิกเลอกติดจิตดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดียเดี๋ยเรามาคุยกันก่อนว่าเออก่อนคุณนี่มีอะไรนะคุณชอบอะไรมในชีวิตคุณเราชักเริมไปหาถึงไปแล้วในชีวิตคุณคุณชอบอะไรจริงๆนะเนี่ยที่คุณภูมิใจมากเลยคุณของคุณลองคุณลองดูสิโอ้ยไม่ต้องเลิกหลักอาจารย์โอ้โหตอนนี้พูดพอพ้อพมาเลย ผมเนี่ยเป็นมืออันดับหนึ่งๆต้นๆของโลกเลยในการสีไวโอลินเนี่ยฮะจริงๆตอนวงออเคสตราวงใหญ่ของอเมริกามาเมืองไทยอะผมเนี่ยได้รับเชิญขึ้นไปเนี่ยสีไวโอลินร่วมกับวงออเคสตราของของวงที่ระดับโลกเลยผมนี่สีไวโอลินเก่งมากเลยระดับโลกเลยนะเนี่ยผมเนี่ยโอ้โห โมซาบีโตเฟนโอ้โหเอพูดถึงอย่างเนี้ยมันไหลน้ำไหลไฟดับเลยโมซาปีโตเฟนเอ๊ะคือมันไม่มีไวโอลินไม่มีอะไรเลยแต่กล่าวว่ามันมันมันสร้างภาพในใจได้ชัดเจนมากเลยอ่ะคือสร้างภาพไวโอลินและสร้างเพลงเนี่ยมันชัดอยู่ในความรู้สึกเลยมันไม่ไปอย่างอื่นเลยมันมีแต่ไวโอลินเะฮ้ยเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกแต่เขาสาีแค่แค แทนที่ไวโอลินมันอยู่ในมือเขาแต่มันไม่มีไวโอลินในมือเขาแต่มันอยู่ในใจของเขาเพราะว่าไวโอลินมันไม่มีนะแต่ไวโอลินมันมันอยู่ในมือในใจของเขาแล้วพร้อมกับเสียงมันไม่ไปอย่างอื่นเลยเราก็หลอกล่อให้พูดอยู่นั่นแหละหลอกล่อให้ทำให้เราดูหลอกล่ออยู่นั่นแหละมันไม่ไปอย่างอื่นเลยจิตมันไม่ไปไหนเลยเพราะว่าไวโอลินมันไม่หายไปจากใจเลย พวกก็ะสีเหมือนเขาฟังไป่รู้เรื่องหรอกนะไเพลงแบบว่าของโมซารีโทเฟนของอะไรมันระดับเนี่ยแล้วก็เราก็อ่าตอนนั้นเราก็พยายามฟังเพื่อให้กําลังใจเอก็สีเงีางในใจของใจแต่ใจของเขาเนี่ยมันโอ้โหมีผ้าไบโอเรนทมันไม่หายยมันเป็นหนึ่งเดียวเชื่อไหมจิตเข้ารวมเป็นหนึ่งเดียวกับไบโอเรนท์ไบโอเรนท์กัเพลงเพราะกับเพลงที่เขาประทับใจ รวมเป็นหนึ่งเดียวบ้านเขาสามชั้นเนี่ยมันกลายเป็นแผ่นดินสะเทือนวัดไหวเลยันตึต้องสามชั้นลูกเขาเขียนหนังสืออยู่ชั้นบนกําลังทํางานอยู่ชั้นบนชั้นสามเนี่ยโ ต, ต๊ะหนังสือมันพลื่อนเลยพข ต, ตกใจก็แผ่นดินไหวส่วนแม่เขาเนี่ยกาลังเดินบันไดยอยู่ชั้นล่างบันไดมันสัน่นแม่เขาตกใจเรียกสามพีกับลูกไปออกหนีอยวจากบ้านเร็วๆว่าแผ่นดินไหวแผ่นดินไห ว, ไหวส่วนตัวเขานั่งสมาพิอยู่ในอยู่ในบ้านของเขาชั้นสองเนี่ย จิตมันรวมไปเป็นหนึ่งอไม่ออกแล้วจิตมันรวมเรียบไปเป็นหนึ่งเดียวกับไวโอลินกับเพลงนั่นเลยมันหายใจทั้งไวโอลินทั้งตัวเขาไปเป็นหนึ่งเดียวกันมันนี่แนมมันจึงไม่มีรูปแบบที่ตายตัวเราหายให้เจอบาสิ่งใดใจอิจใจเราเนี่ยมันอยู่กับสิ่งนั้นแล้วมันไม่พลากไปเลยเราหายให้เจอแค่นั้ น, นแนะ <c oughs> ไม่เจอหามไม่เจอไม่ไปหาไปไม่ต้องหลอกล่อ เลยอย่างเงี้ยค่อยๆหาให้เจอมันหาไม่เจอมันก็มันก็นกคลําอยู่นี่แหละตาหไม่เจอก็เอากรรมฐานนี่เนี่ยภาวนาคาตาไปก่อนที่นาอะไรจะมัไปใช้ยรืมัไปหาอยู่นะแล้วกหาให้เจอแต่ไปห้ามเอาผู้หญิงห้ามเขาผู้ชายมาพิจารณาเนี่ยผู้ชายห้ามเขาผู้หญิงมาพิจารณาไม่ได้บกหนูชอบผู้หญิงหนูชอบผู้ชายไม่ได้นะมันมันต้องเอาที่มันไม่ไม่เอาผู้หญิงผู้ชายมาตรงแพนเตรงข้ามมาพิจารณา แล้วมีอีกคนหนึ่งอ่ะเขาก็ไปเอานุ่นเอานี่เอานั่งมาพิจารณามันก็ไม่เป็นนะทีมันไม่เป็นพิจารณาอะไรก็ไม่เป็นนะทีใจมันยังฟุ๊งซ่านอย่างเงี้ยเราสังเกตเห็นแต่เห็นข้อหนึ่งแล้วแต่ใจมันยังไม่ใจมันยังไม่รวมมันยังปุ๊งซ่านอยู่นั่นเนี่ยเขาไปเดินในสนามหญ้าอยู่แต่เขาเดินมาผ่านมีการเดินมาทั้งวันทั้งคืนแล้วนะผ่านความรู้สึกตัวมาทั้งวันทั้งคืนนะแต่จิตมันไม่รวม เราก็เลยสังเกตเห็นอ่ะเนี้ก็เลยนในสนามยากเราเลยเด็กก็ไปหาอ่ะเราไปชวนเขาคุยบอกคุณคุณคุณคุณค้องพระอะไรคุณคล้องพรอะไรในคลองผมคลองหลุมปูดถ้วดเนื้อว่านสีดํำๆเนี่ยมันเป็นรุ่นหนึ่งนะเป็นรุ่นหนึ่งโอ้โหพูทงงแน่มันออกอาการเลยอะ่ะถึขขงความชอบอะ่ะพระของคุณเนี่ยมีหน้าตาอย่างไรรูปลร่างเปไน็นไงคุณจุจับได้ โอ้โหทำไมผมจะจำไม่ได้ผมส่องมาทุกวันเลยผมส่องท่านทุกวันเลยเนี่ยผมจำได้ว่าลุล่างเป็นยังไงลูกล่างเป็นอย่างนี้ลูกล่างเป็นอย่างงี้เป็นอย่างงี้เป็นอย่างนี้ตาเป็นเป็นเป็นเป้าๆอย่างนี้เป็นว่างสีดำๆอย่างนี้ลูกล่างเป็นอย่างนี้หัวโตๆอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แต่พระเนี่อยู่ในคอสนะที่เขาพูดพระอยู่ในใจเขาไม่รู้หรอกว่าพระมันอยู่ในใจตั้งแต่เมื่อไหร่เอา ไม่ได่ลึกกว่าพระอยู่ในคอว่ะแต่พระอยู่ในใจปุ้มันจะเไม่ได้เชหอ้พระรูปร่างจรนรูปร่างเนยไพระมันรูปร่างนยไโอรูปร่างเนงงี้รูปร่างอย่างงี้นะผมจาได้นี่ผมจาได้เฮ้ยคุณจาได้จริงๆเหรอไหนจะบอกว่ารูปร่าง็นยังไงเป็นยังไงมีอยู่สองคนอีกคนหนึ่งอยู่อยู่จิตมันไปรวมกับหนึ่งเดียวกับพระที่อยู่ในใจแล้วเป็นหนึ่งเนี่ยพระก็หายไปตัวตนของตัวเองก็หายไป ร้ลอลั่นเลยมืจับไปต๊กไวปได้ผมลอยได้ผมลอยได้ ล, ล้อลั่นเลยผมจะไปลอยได้ผมลอยได้ช่วยผมด้วยช่วยผมด้วยล้อลั่นเลยตะโพนลั่นไลยคนอ่ะผมลอยได้ผมลอยได้ไ ด, ดูสิพราะพระมันไม่อยู่ในคอคอแล้วพระมันอยู่ข้างนอกแต่มันอยู่ในใจของเขาเนี่ยเ่วนอีกคนหนึ่งกิจกระรวมไปเลยเหมือนกันบางเบยร์รวม หลายอยางก็รวมลงไปเป็นหนึ่งเดียวเหมือนกันพอรวมแล้วสิ่งนั้นก็หายไปตัวเราก็หายไปเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นไป็นเนี่ยสมบุกแล้วก็มันเกิดมันเกิดพิธีก่อนเกิดศาสร้านตัวตัวแล้วก็ไปสู่ความสุขแล้วก็ไปสู่ความสงบเนี่ยอันนั้นน่ยมันก็เป็นอะไรมันจะเป็นถึงเวลาของเขาใหมารีซามันทำให้เราจะเห็น มันจะมันจึงไม่มีรูปแบบที่ตายตัวนะคือสิ่งใดอะที่คุณสามารถอยู่ในใจของคุณได้บางทีเนี่ยเราหลอกล่ อ, ลอคนที่เล่นสนุกชอบเล่นสนุกชอบเล่นเร่ยเร่ยเราบอกว่าเราไมา่เล่นในใจมันเล่นแต่ข้างนอกไม่มีประโยชน์อะไรเราก็เล่นในใจเราก็หลอกลอ่อเนี่ยเนี่ยอนลูกสนุกนี่นะคุณชอบสีไหนมากที่สุดเนี่ยเฮ้ยอาจารย มันต้องสีดำสีดำแท้มันเยอะสีดำเนี่ยแท้มันเยอะกว่าไทยอะไรเงี้ยบาก็ชอบสีแดงว่าถ้ายิงแดงลงมาไหลมันต้องมันต้องไปยิงสีอื่นได้บางคนก็ว่าอย่างเงี้ยแล้วแต่คนชอบไหนลูกสนุกสีแดงมันเป็นยังไงมันเป็นยังไงไะมันป็นอยงนี้อย่างงี้งไอ้ลูกสนุกสีดำมันมันแต้มม th ากเหรครับไอ้ลูกสีดมันกลมๆมันกๆอย่างเงี้ยลูกดำมันกลมๆอย่างเงี้ยสียเป็นอย่างเงี้ยลูกสนุกมันไม่ได้อยู่ตรงแต้มไม่ได้ในใจทำยังไงล่ะเราจริงจะเอาสิ่งที่ชอบเนี่ย <använd inhos> ไม่อยู่ในใจของของคุณนั้นได้เนี่ยตรงนี้ไนงะมันก็เราก็หลอกลอก่อแต่บางครั้งเราก็หลอกล่อไม่ได้เพราะว่ามันไม่เกิดขึ้นแก่ใจเราแล้วไม่เกิดขึ้นแก่ใจเขาเพราะว่าเจ้าตัวก็ยังหาไม่เจอว่าตัวเองชอบอะไรเนี่ยมันก็เลยไม่เกิดเนี่ยเพราะตัวเองทั้ชีวิตก็ยังไม่รู้ตัวเองชอบอะไรบางทีเราไปถามพยายามหลอกลอก่ลอว่าคุณชอบอะไรที่สุดในชีวิตของคุณเอาจารย์ผมชอบฝุกกิจ มันเครียดมากขนาดนี้เราอุตส่าห์จะหลอกล่อให้มันผ่อนคลายคุยมากไม่เอาเราก็แบบไปหลอกล่อให้แตงโมให้ไปกินมันกินนี่นะมโหเราอะผมจะมาบุกจิตยังไงผมเป็นลุกไปทําอะไรอีกเราอุตส่าห์จะหลอกล่อให้จิตมันผ่อนคลายโอ้มันเครียดมากทุกขัดมันอัดอยู่เงี้ยเราอุตส่าห์จะหลอกล่อโกรธเราโมโหเราที่ว่าให้เราเราให้เราให้จะบอกให้ลุกขึ้นอ่เบสให้จะทํำธไปกิจไม่ไร มโมโหเราโอ้โหเดินต้องไปเป็นสิบสิบกิโลยี่ิโลเดินไกลมากใกนกลางคืนไปตามท้องถนนโมโหเรามากโอ้โหแล้วแล้วก็เขาก็หากันทั้งหมดเลยคนที่มาปฏิบัติธรรมหายไปไหนแล้วก็ที่สุดไปกลางคืนหายกลับมาเดินกลับมาตากฝนมาด้วยตากฝนกลับม า, มาโมโหเรามากมาบอกเราเนี่ยเมื่อเราไปไปสอนปฏิบัติธรรมที่โกตสมดวงเมือ่อเมื่อไม่กี่วันมาบอกเราว่ า, มาโมโหเรามากในตอนนั้นเน่ะโกรธเามาก แล้วโอดเราไปหลายปีไม่มาหาเราเลยแต่ไปถามเข้ามาทั่วแล้วไม่มีใครแก้ปัญหาของตัวเองได้เลยกลับมาหาเราเป็นเวลาเกือบยี่สิบปีโอดเราไปหายไปผมมาเจอเราเพราะเราพูดเข้าปี้ พี่ขึ้นมาแล้วไปเล่าให้เราฟังมันคือมันบมันสว่างมันไหวฟองใสแล้วพีกไปไ้เล่าให้เร า, าอาจารย์รู้เหมือนผมโกรธอาจารยามากเลยตอนนั้นผมจะมาปฏิบัติธรรมอาจารย์ผม่อยผมลุกไปอลไเงี้ยผมซาตั้งใจเะอะไรเงี้ยเราบอกเราจะแก้ทางให้เจ้าสิอเงี้ยเจ้าเป็นโมโหเป็นจิงเป็นจังแต่เรคบกไปลไเลยเดี๋ยวเจ้ามาเลิกแค่นี้่ยมันไม่ใช่ว่าไ่กดเกตตายตัวตเราหาไม่เจอเราหาไม่เจอเองว่าสิ่งใดที่เราชอบเนี่ย อยาให้มันอยู่ข้างนอกให้มันปรากฏในใจเราแ ล, แล้วเราอยู่กับสิ่งนั้นได้ง่าย anyway. แล้วกรรมฐานเราเนี่ยจะเร็วมากเลยจิตมันจะรวมเป็นเดียวเป็นหนึ่งเดียวกับสิ่งนั้นได้รวดเร็วเพราะว่าเราชอบมันแต่ถ้าเราเอามันไว้ข้างนอกมันจะรวมไม่ได้แต่ถ้ามันปรากฏอยู่ในใจเราเนี่ยเพราะเราชอบมันเนี่ยมันก็เลยกลายเป็นใจเราเพราะว่ามันอยู่ในใจเราแล้วพอดี่มันก็เลยรวมกับใจเรามันไม่อยู่ข้างนอกอยู่ข้างนอกอยู่รวมยังไงแต่นี่มันเข้าไปในใจเราแล้วก็รวมกับเราเองนะหลักมันก็แค่นี้แน่อืม มันไม่มีกฎเกณฑ์ตายตัวหลักคนเขาชอบมาพูดว่าเราเราสอนไมไม่ตรงตามตำราตำราก็บอกมี40อัน40สิทธิกรรมฐานอันนั้นเขาให้ตัวอย่างไว้เวลาเขาเขียนตาราเขาเขียนไม่หมดว่านี่เป็นตัวอย่างเขาเขาเขียนขาดไปหน่อยเดียวเราว่าไงเราว่านี่ตัวอย่างมีอยู่40อย่างแต่พระเจ้าคุณพูดก็ พ, ด พ, ดพูดจริงเขพูดจริงแต่อย่างนี้เช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้เช่นนี้แต่เวลาเขามาเขียนเนี่ย้วไอเช่นช่นี่ยมันหายไปตัวอย่างเนี่ยมันเลยบอกมีแค่40อย่างเราสอนเราไม่ตรง เราไปสอนควกคิดถ้าไปเอาสิบสิบอย่างก็สอนไม่ได้เราไปสอนเด็กเราไปสอนเด็กเราก็สอนไม่ได้หลักอย่างันอ่ะเด็กมึงพีไว้ไม่เอาหลักอย่างเงี้ยเราสอนเด็กล่อลอกเด็กล่อลอกไปล่อลอก่ะเพาะที่เด็กก็เป็นเฉยเลยล่อลอลว่าก็ต้องใช้การล่อลอกว่าไอ้หนูชอบอะไรมาหน่อยอย่างนี้ล่อล่อกไปล่อล่อล่ะคือมันจิตเด็กก็เป็นนะจิตมันบริสุทธิ์ป็ง่ายๆกันเนี่ยอยเนี้ยมันต้องรู้จักล่อลอกอย่างเงี้ย แต่สำคัญที่สคือตัวเรายังหาตัวเราไม่เจอเนี่ยเราว่าชอบเราชอบอะไรเนี่ยมันเลยไม่ปรากฏเกิใจเราเห็นไหมเอาไม่ใช่รวมเป็สมาธินะถ้ามันอย่าอยู่ข้างนอกให้มันอยู่ในใจเราถ้ามันอยู่ในใจเราพออยู่ในใจเราแล้วเนี่ยมันก็เลยรวมมาใจเราเองเนี่ยเพราะมันอยู่ในใจเราแล้วเราไม่ต้องมีหน้าที่ทำให้มันรวมขอให้อ่ะมันไม่อยู่ในใจเราแค่นั้นเนี่ยเราอย่าเอามไปกันนอก เออไปหารหาไม่เจอก็หาให้เจอเราไม่หาให้หรอกก็หาให้เจอทาให้เจอแล้วก็เอามาไว้ในใจเรานะอแล้วก็พอมันรวมแล้วเนี่ยเวลาเราพิจารณาสุภกรรมฐานมาแล้นแต่พิจาาแยกแยกชาติกันไม่ให้ติดตัวติดตน มั น, นจะง่ายเพราะใจนอนไม่หลเป็นไหนเวลาแยกยแยกอยู่ได้พี่นยอยู่ได้ทั้งวันทั้งคืนพราใจไม่ดไม่หลับไม่นอ น, น, อนก็ไม่เหนื่อยเพราะว่าจิตมารวมเป็นหนึ่งเดียบร่างมันก็เลยไม่ไม่เหนืไม่เหนื่อยพีนย่นานนเชัดเจนนะพรุ่งนี้ก็กลับก่อนตีสึ้อนแยกวันอื่ไปแอบนอนในมุ้งฟังก็ได้ <c oughs> กับพี่ส <c oughs> ี่เดี๋ยวต้องไปนอนแต่ัข้านะครับกลับรอตุกรอุข อ, ข อ, ขอให้คุณพ่อคุณแนะ ในเดินทางในประเทไทยมีความสุขควมเจริญมีความสุขยากลบากั้นยากนี้ใหญ่ปรารถนาสิ่งในสาเชี่อวธรรมใเส้นป่าไม้ต้นนั้นเด็กจความมันปรารถนาสุขุปการให้ลูกําเดียร์ตามสความมุ่งมั่นปรารถนาให้กันแลกการ